Thank you. ทุกท่านเตรียมตัวกราบอาจารย์ค่ะกลาหลักครังญี่ปุ่นที่ดังนาน <c oughs> <c oughs> ดังไม่เลิก่ะเป็นบ่ายวันที่สองของการปฏิบัติวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์ มกราคม2561การบรรยายที่สวนธรรมศรีประทุมมาถึงตอนนี้หลักสูตรนี้น่าจะชื่อความเคยชินบอกเกิดของกิเลส เพราะฉะนั้นถ้าความเคยชินมันได้สร้างเวทีจะบอกว่าแอบสร้างก็ไม่เชิงสร้างกันโจ่งโจ่ ง, จงต่อหน้ามาตลอดเราเคยใช้อินเทอร์เน็ต 4G plus ด้วยไปอยู่ในที่ที่ความเร็วมันลดลงกีเลดเกิดแล้วนะสังเกตดูเถ ทำไมมันช้านั่นอะมาแล้วเห็นไหมมาแล้วอิเลตันหามาแล้วบีบคั้นแล้วเราเคยชินกับการอยู่ที่บ้านทําอะไรก็ได้ตามใจพอมาอยู่อย่างนี้เนี่ยอึดอัดนะบางคนนั่งถอนหายใจเฮือกคือเฮือกเมื่อไหร่จะเบรกสักทีอึดอัดแล้วรู้ไหมว่านั่นทุกนั่นแหละตันหาบีบคั้นเพราะเราชิน ไปกับสิ่งที่เราเคยคุดเมื่อมาอยู่ตรงนี้ปับ๊บมันเกิดเวทีให้กิเลสขึ้นไปยืนได้ เ, เมื่อกิเลสมีก็มีตัญหาต่อมาแล้วบีบคั้นอยากได้ถ้าของชอบก็อยากได้เพิ่มอยากได้อีกถ้าของไม่ชอบก็ผลักสายไล่ส่งเกิดเป็นปฏิฆะเป็นโทสะขึ้นมาน่าจะเป็นบอกเกิด เพราะฉะนั้นบอกเกิดของความโกรธมาจากความโลภเมื่อความโลภดับหรือหมดไปความโกรธจะหายไปด้วยความโกรธเกิดขึ้นมาจากเหตุคือไม่ได้ดั่งใจการได้ดั่งใจก็คือความไม่เข้าใจที่ไปสร้างความรู้สึกในใจขึ้นมา แล้วก็อยากให้สรรพสิ่งที่อยู่ภายนอกไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าหรือจะเป็นธรรมชาติของภูมิอากาศให้เป็นไปดั่งใจซึ่งใจมันอยู่ในใจเราจะเปลี่ยนใจเอื่อเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็อยากจะให้ฝนตกแดดออกวันไหนอยากจะให้แดดออกซักเสื้อผ้าอฝนดันตกงูดกิดลาคาญ กำลังกวาดใบไม้ลมดันพัดลมพัดโมโหลมกวาดเท่าไหร่ก็ไม่มีหมดลมพัดอยู่นั่นน่ะนั่งเบื่อร้อนเฮ้ยไ ม, ม่มีลมเลย เ, เพราะฉะนั้นธรรมชาติของจิตใจเราแปรปวนตลอดเวลาแต่กลับอยากให้อะไรอะไรอะไรที่อยู่ข้างนอกเป็นไปดั่งใจเราที่แปรปวนตลอดเวลาแล้วมันจะไหวเหรอ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 หรือจะงอยปากออกมาโดยสวัสดีได้โดยแท้ฉันใดก็ฉันนั้นขณะที่เรากำลังเจริญภาวนาอยูนะ่ก็คือเดินตามทางแห่งอริยมรรคมงค์แปดนี้ไม่ต้องอยางบรรลุทำไมยังโกรธอยู่ทำไมยังเกิดตัวตนอยู่ ความเคยชินยังไม่หมดใครเราจะไปลากความเคยชินให้ใครถ้าเคยชินแล้วไม่อดทนสู้ด้วยสติปทานสี่สัมมัปปธานสี่สัมมัปปธานสี่ลองกด Google ดูสัมมัปปธานสี่ทีหลังก็ได้ จะเห็นว่าหัวข้อในสัมมาประธานสีแทบจะเหมือนกับมรรคมีองค์แปดในองค์ที่หกแทบจะเหมือนกันเปะ๊ะเอาเป็นว่าเหมือนกันเป๊ะเลยก็ได้แล้วทําไมผู้เจ้าถึงแยกออกมาเป็นสัมมาประธานสีในเมื่อมรรคองค์ที่หกก็แบบเดียวกันเลยข้อความแทบจะทับกันเลยเพราะความเพียรเป็นสิ่งที่ต้องทํามากๆเลย ต้องมีความเพียรจริงๆไม่อย่างนั้นเนี่ยการละความเคยชินเนี่ยเหมือนคนติดบุหรี่ที่ผมยกตัวอย่างไปได้ครึ่งทางกลางทางเนี่ยมันทนไม่ไหวมันทนไม่ไหวแล้วคนที่ติดบุหรี่เวลาทนไม่ไหวที่จะกลับไปเสพอีกเนี่ยมันจะมีเหตุผลสารพัดนะสังเกตจะมีเหตุผลสารพัดที่เกิดขึ้นในใจที่จะกลับไปจะมีเหตุผลเต็ไมไปหมดเสร็จเรียบร้อยจบ นะเพราะฉะนั้นพวกเราพลากออกมาแต่เอาละเดี๋ยวท่านก็ต้องกลับไปสู่บ้านสู่เรือนสู่ครอบครัวสังคมในแบบที่เราเคยคุ้นทีนี้จะรับประทานอะไรจะอยู่จะดูตาหูจมูกลิ้นกายก็ระวังระวังนะอยู่ด้วยความระมัดระวังอย่าหลงเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญกับอะไรให้มากนะัก อย่างวันนี้ผมรับประทานอาหารก็มีคนเอาของนู่นนี่มาฝากเยอะแยะเต็มโต้ไปหมดเลยอาหารเต็มไปหมดไม่ถูกกี่สิบอย่างจะกี่สิบอย่างที่ตั้งบนโต๊ะน้นถูกผ่านช้อนหนึ่งอันเข้าไปสู่ปากหลังจาก น, นั้น ตัวอาหารโดนลิ้นอีกไม่ถึงสิบวินาทีการบดเคี้ยวมีอีกไม่ถึงสิบครั้งรสชาติก็อยู่ที่นั่นอ่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจากนั้นก็กลืนลงไปของมันจะกี่สิบอย่างบนโต๊ะเนี่ยมันเข้าสู่ปากได้แค่ทีละหนึ่งคำในหนึ่งคำมีการเคี้ยวอีกสิบครั้งในสิบครั้งมีรสชาติที่แตะลิ้น ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลง ล, งลงเปรี้ยวเียวหวานวานมันเค็มเ็มแล้วก็ไหลลงไปจบคำที่หนึ่งจบจะบอกอร่อยก็ทำให้กินค้อนที่สองเข้าไปได้ถ้ามันไม่อร่อยเลยก็อาจจะกินแค่อยู่ได้พอหายหิวอร่อยกับไม่อร่อยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะไปหลงติดใจในรสชาติอะไรมากมาย ไม่ใช่ไม่รับรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยการรับรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยมีอยู่การอร่อยก็คือการที่เราเคยคุ้นกับรสชาตินั้นเท่านั้นถ้าอยู่ๆไปนั่งกินอาหารแขกก็อาจจะได้ไม่กี่คำได้ไม่กี่คาเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นความจริงตามนี้เนี่ยเราจะหลงอะไรกับอาหารมากมายบนโตะเราจะหลงอะไรกับลายอินเตอร์เนชั่น u f ลบุฟเฟ่เพราะว่าในเมื่อคนเรากินก็ไปก็ไม่ได้เกินยี่สิบห้าค ก็ไม่ไหวแล้วบางทีกินอาหารอย่างเดียวยี่สิบห้าคำยังอร่อยกว่าที่จะตักอย่างละคําอย่างละคําอย่างละคําอย่างละคําแล้วก็ใส่เข้าไปรสชาติเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปสุดท้ายก็ไม่รู้เลือกกินแล้วก็จบไปแต่พวกเรากลับเสพทางตาที่มันมีมากมายแล้วหูอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยคําว่าน่ากินคือน่ากินในใจแต่รสชาติเนียเท่าเดิมทีนี้พอเห็นความจริงตาก็ไม่ค่อยไปเกี่ยวอะไร ในการรับประทานก็แตะที่ที่ลิ้นะอย่างอื่นก็ไม่ไปเกี่ยวอะไรก็ไม่ได้หลงอะไรก็ทานไปอิ่มอิ่มแล้วก็จบใจก็สงบสงบก็เห็นความจริงตามธรรมชาติจะบอกว่าเข้าไปรับรู้ไม่เข้าไปรับรู้อะไรก็ทั้งสิ้นก็เป็นธรรมชาติของสรรพสิทธิ์ของอาหารพระยานพเจ้าอุปมาเนี่ยต้ยองบอกว่าเปรียบเสมือนฟองไข่ แม่ไ ก, ก่กกแม่ไก่กกไข่กับไข่ที่อยู่อยู่แปดฟองสิบฟองไข่จะออกเป็นตัวเนี่ยเกี่ยวกับเจตนาในใจของแม่ไก่ไหมอยากให้ลูกออกมาจังเลยอยากให้ลูกออกมาพรุ่งนี้จังพรุ่งนี้เป็นวันดี ไม่อยากให้ลูกพิการเลยอยากให้ลูกแข็งแรงตัวสีเหลืองเจตนาที่อยู่ในใจของแม่ไก่มีอะไรเกี่ยวข้องกับลูกไก่ไหมไม่มีเลยท่านตอบได้หมดถ้าแม่ไก่อยากให้ลูกไก่ออกมาเป็นตัวสีเหลืองแข็งแรงไม่พิการขณะที่กำลังกกไข่คุณคิดอยู่แต่เรื่องกลัวลูกจะพิการจังเลยเห็นกฎหรือ เห็นไอ้เล้าข้างๆเนี่ยลูกออกมาพิการกลัวลูกตัวเองจะพิการแม่ไก่กกไข่ไปก็ไม่สบายใจอยากไม่อยากให้ลูกพิการแบบนั้นความที่แม่ไก่ไม่สบายใจเกี่ยวข้องกับลูกไก่ที่จะออกมาไหมไม่เกี่ยวท่านตอบได้นะแม่ไก่ตัดสินใจไปที่สารเจ้าข้างๆ เพราะไม่ไหวทนไม่ไหวกับสภาพบีบคั้นในใจที่ตัวเองทำเองบงบ ง, บงเล็บให้แม่ไก่จึงเดินกระตากระตากระตาไปแล้วก็จุดธูปแล้วก็บนสารเจ้าข้างๆ ข, ข, ขอให้ลูกออกมาตัวเหลืองไม่พิกลพิการกลับมาก็กกเหมือนเดิมลูกออกมาวันหนึ่งเดินกรดึ๊กๆเ ก, กือไป ตัวสีเหลืองไม่พิการแม่ไก่ก็จึงไปแก้บนเกิดเป็นดาวลูกไก่อะไรนะไม่รู้เกี่ยวกันไหม <c oughs> ถ้าแม่ไก่ไม่ไปบน่นท่านคิดว่าลูกไก่จะออกมาตัวสีเหลืองไม่พิการไหมก็อยู่แล้วออกอยู่แล้วออกอยู่แล้ว แล้วถ้ามันออกมาตัวสีดําแล้วพิการคาเปเนี่ยแล้วก็ไปบนแล้วออกมาตัวพิการขาเป้ไหมก็พิการขาเปก็มันอยู่ในไข่มาก่อนแล้วทีนี้ถ้าลูกไก่ออกมาตัวสีเหลืองเนี่ยแล้วก็ไม่พิการอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมสารเจ้านั้นสุดยอด จากนั้นแม่ไก่จะบ่นไม่เลิกเลยแต่ถ้าออกมาสีดำตัวขาเป๋แม่ไก่จะไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเรื่องไปบนแล้วก็ยอมรับความจริงว่ามันอาจจะเลวร้ายเกินกว่าที่จะแก้ไขได้นี่คือสภาพของคนที่ไร้ที่พึ่งไม่มีตนเป็นสรณะแล้วที่หนักไปยิ่งกว่านั้น ไปบนพระพุทธรูปอย่าถึงต้องเอ่ยชื่อเลยเพราะแทบจะรู้กันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่แล้วไปบน อ, อยากให้ลูกสอบเข้าโรงเรียนนั้นได้ขอให้คนนี้หายป่วยถ้าหายได้ก็จะเอาไข่ร้อยแปดฟองมาถวายแล้วก็ให้ลำแก้บนลำต่อหน้าพระด้วย แค่ศีแปดก็ดูไม่ได้แล้วการะเล่นเนี่ยแล้วเอาไข่ไปถวายพระพุทธเจ้านะแล้วบอกว่าหลวงพ่อองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์ผมยังไม่เคยเห็นพระพุทธรูปองค์ไหนนก็เป็นที่เราลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งนั้นจะมีหลวงพ่อชื่อ น, นั้นชื่อ น, นี้ภายใต้นั้นได้อย่างไรผมไม่เข้าใจจริงๆไม่เข้าใจเลยวันนี้เป็นอะไรกันแล้วที่แย่ที่สุดคืออะไรรูไหม ถ้าหายถึงจะเอามาให้ถ้าท่านเจอพระตอนเช้าท่านจะออกไปใส่บาตรท่านถือถาดเลยพระเดินมาแต่ท่านไม่ใส่ท่านบอกว่าหลวงพี่รบกวนหลวงพี่ช่วยไปบอกเจ้าวาดทีว่าดิฉันอย่างนี้นะถ้าหลวงพี่ทำให้เนี่ยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ ดฉันจะมารอตรงนี้ถ้าทำสำเร็จเดี๋ยวฉันจะใส่บาทให้ท่านว่าคนคนนี้เป็นยังไงคือใช้หลวงพี่ไปทำงานให้ถ้าทำสำเร็จกลับมาถึงจะให้ของผมว่าคนคนนี้แย่มากนะแล้วนี่ทำกับพระศาสดา ขอให้ลูกเข้าโรงเรียนได้ไปบนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆเนี่ยะ แ, แล้วเสร็จแล้วจะถวายไข่ร้อยแปดฟองพระองค์เป็นกษัตริย์นะสมัยที่ยังไม่บวชมีทุกอย่างไม่ใช่แค่ไข่ร้อยแปดฟองที่พระองค์อยากได้การละเล่นทั้งหมดที่เอาไปถวายเนี่ยท่านสั่งภิกษุว่าไม่ให้ดูนะแต่นี่เอาไปลำต่อหน้าท่านพวกนี้มันบ้าหรือเมาเ เพราะฉะนั้นอย่าทำอีกนะชาวพุทธอย่าให้คนข้างนอกเขาหัวร้อกนี่ศาสนาอะไรเนี่ยขอไม่เอ่ยชื่อว่าใครศาสนาไหนเป็นคนพูดเขาพูดว่าพวกบูชาไฟจุดกันจริงๆไฟเนี่ยจุดกันจริงๆ ตกลงพระพุทธเจ้านี่ชอบไฟใช่ไหมเด็ชาวพุทธถึงบูชาไฟกันสนั่นหวั่นไหวทั้งทูปทั้งเทีย น, นยจนหายใจให้คอไม่ออกเนี่ยวันนี้ทำกันจนถ้าพระาศาสดายังคงอยู่นะผมยังเคยไปเดินเวลาไปตามวัดเนี่ยผมนึกแม่ี่รนพุทธเจ้าเดินมากับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเนี่ยนะหันมาเห็นตายแล้วนี่สองพันกรอยปีเปลี่ยนไปขนาดนี้ แล้วข่าวที่ออกมาทุกวันนี่โอ้โหอเพราะฉะนั้นกลับมาอยู่บนในเส้นในทางหน่อยเถอะกลับมาอยู่ในเส้นในทางหน่อ ย, อ, อ, ย, นน อ, ยอย่าใครจะออกไปแล้วคงห้ามไม่ได้แล้วล่ะใครจะปิ้นออกไปถึงไหนถึงไหนอะไม่รู้แล้วแต่ขอให้พวกเราเนี่ยที่บอกว่าจะเข้ามาฝึกปฏิบัติธรรมมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยกลับมามีสัมมาทิฏฐิจริงๆหน่อยเถอะ เรื่องบุญก็ดีเรื่องสังฆทานก็ดีก็คงฟังกันมาเยอะแล้วนะเอาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยให้เห็นนะกลับมาที่การปฏิบัติของที่อยู่ในใจกับของที่อยู่ตามธรรมชาติความจริงตามธรรมชาติปัญหาวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ของที่เป็นไปตามธรรมชาตนะิปัญหาวันนี้อยู่ที่โลกในใจที่เราสร้างขึ้นมาแล้วโลกในใจมีอิทธิพลมากขนาดไหนรู้ไม ท่านจำวันที่ท่านสูญเสียคนที่รักได้ไหมวันที่อกหักได้ไหมวันที่พ่อแม่หรือเพื่อนหรือสามีภรรยาคนรักเราตายได้ไหมหลังจากที่ได้รับข่าวร้ายแล้วมีคนชวนไปกินข้าวถามว่าต่อให้สั่งอาหารที่เราชอบมาตั้งอยู่ตรงหน้าเนี่ยเรากินลงไหมเรากินไม่ลง พาเราไปเที่ยวภูเขาทะเลน้ำตกที่เราเคยชอบเคยว่าสวยเนี่ยเรายังเห็นสิ่งนั้นสวยอีกไหมไม่เลยใจเราทุกกระทมแทบจะนั่งกอดเขา่าเอาเข่าเช็ดน้าตา ท, ทั้งทั้งที่อยู่ในวิวที่สวยงามอาหารที่เลิศรสที่เราเคยชอบอยู่ตรงหน้ากันเดือเข้าไปก็ได้แค่คำสองคำกินไม่ลงทำไมทำไมตอนที่จิตใจเราเป็นป ก, กติ หรือเบิกบานเราจึงทานอาหารอย่างนั้นอร่อยวิวพวกนี้มองสวยแต่ทําไมวันที่อกหักล้มละลายหรือไม่มีใครหรือว่าได้รับข่าวร้ายว่าคุณเป็นโรคที่รักษาไม่หายอีกใจทุกประทมทําไมไมันถึงกินอะไรไม่ลงทําไมภาพก็ยังอยู่เหมือนเดิมคนข้างๆที่พาเราไปก็ยังอร่อยเหมือนเดิมก็ยังมองทะเลภูเขาน้ําตกสวยเหมือนเดิมแต่ทําไมเราไม่มีกระใจที่จะมองอีกเลย เห็นหรือยังว่าอำนาจการปรุงแต่งบรรุุแรงแค่ไหนมันนําพาชีวิตไปเป็นยังไงของที่ไม่ได้มีอยู่จริงปลอมๆที่มันก่อขึ้นมาแล้วมันก็สลายไปแล้ววันนั้นที่ท่านเคยทุกข์ระทมแล้ววันนี้ยังเป็นไหมไม่เป็นเห็นวิวทะเลสวยเหมือนเดิมไหมยังสวยเหมือนเดิมอาหารก็ยังกินได้เหมือนเดิมอร่อยต่อให้มันเหมือนกันทุกอย่าง ทำไมวันนั้นเป็นแบบหนึ่งทำไมวันนี้เป็นแบบหนึ่งไม่เคยสงสัยบ้างเลยเหรอแค่เรื่องภายในที่เกิดขึ้นทำไมได้ทำทุกอย่างปั่นป่วนไปหมดเราได้พบกับความทุกข์จริงๆเพราะสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาจะบอกว่าปลอมแต่มันเข้ามาสู่โลกของความจริงจนได้ปลอมจนจริงนะเข้าใจไหมไม่ใช่ c o อป g ี้เกรดเนะ คือมันปลอมจนจริงนะวันนี้คนสงสัยก็เพราะว่ามันปลอมจนจริงนะี่แหละมีเรื่องน่าสนใจเมื่อหลายวันก่อนในลอสแซงเจลิส มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกผมว่าสา ม, ามีของเธอตายไปราวๆสักปีหนึ่งเพราะบทเรียนที่ดีบนเตียงที่เขาเสียชีวิตเขาพูดว่ามาใกล้ๆสิผมจะบอกอะไรคุณฟังให้ดีๆนะผมบอกได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นผมไม่มีเรี่ยวแรงเหลืออีกแล้วแล้วเธอก็บอกว่า <S <S ฉันฟังอยู่นะที่รักเมื่อไรเหะอเขาบอกเธอว่าให้จำเอาไว้เสมอในทุกๆเชา้าเวลาตื่นขึ้นและศรีรษะคุณจะพ้นจากหมอนคุณจะมีสิ่งที่ต้องการทุกอย่าง ใต้สำนึกให้นิยามทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเราถ้าคุณมองจิตเหมือนกับภูเขาน้ําแข็งและยอดของภูเขาคือส่วนที่อยู่เหนือพื้นผิวนั่นคือจิตสํานึกมันเป็นจิตที่เลือกได้เป็นจิตแห่งการกระทำส่วนที่อยู่ใต้พื้นผิวซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของภูเขานั้นคือจิตใต้สํานึกมันเหมือนกับเรือดำน้ำําคุณจะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นถ้ามันไม่โผล่ขึ้นมาให้คุณได้เห็น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 ผมจะให้ดูพวกนักจิตวิทยาที่เขาเข้าไปค้นพบสิ่งที่เรียกว่าจิตสำนึกจิตไร้สำนึกแล้วก็ร่างกายของเราถ้าคนที่ไม่รู้นั่งฟังเดี๋ยวผมจะเปิดให้ท่านดูเดี๋ยวนี้มีคนนึกว่าคนที่เห็นอย่างนี้เป็นพระโสดาบันกันอยู่เรื่อย ผมบอกให้เลยว่าถ้าท่านฟังไปจนจบนักวิทยาศาสตร์หรือนักจิตวิทยาพวกนีเน้เห็นยิ่งกว่าคนที่ปฏิบัติภาวนาอยู่วันนี้อีกแต่คนเหล่านี้ไม่ได้มีอะไรหลุดพ้นเลยเขาแค่เห็นว่าความจริงของธรรมชาตินี้คืออะไร แต่เขามีตัวตนในการเข้าไปศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลาน้กออกไหม <c oughs> เขารู้ว่ากายใจเนี้ยเป็นธรรมชาติเป็นสาสานแต่ความรู้สึกหนึ่งที่ตัวเองเข้าไปศึกษาเรียนรู้เนี่ยความรู้สึกเนี้ยที่มีตัวตนอยู่เนี่ยเขาไม่รู้จักผมจะให้ท่านฟังใหม่ท่านฟังไม่ทัน มีเรื่องน่าสนใจเมื่อหลายวันก่อนในรอสแองเจลิสมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกผมว่าสา ม, มีของเธอตายไปราวๆสักปีหนึ่งเพราะบริเวณที่ดีบนเตียงที่เขาเสียชีวิตฟังดีๆนะดูว่าผู้ชายคนนั้นพูดกับภรรยาว่ายังไงก่อนตายพูดว่ามาใกล้ๆสิผมจะบอกอะไรคุณฟังดีๆนะฟังอยู่อาจารย์หรืออาจจะตายอยู่แล้ว <c oughs> ตันหาเกิดแล้วเห็นไหมเนี่ยหลงดูเนี่ยฟังให้ดีๆนะผมบอกได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเขาบอกครั้งเดียวนะไม่มีเรี่ยวแรงเหลืออีกแล้วแล้วเธอก็บอกว่าฉันฟังอยู่นะที่รักมีอะไรลหรอเขาบอกเธอว่าให้จำเอาไว้เสมอในทุกๆเชา้าเวลาตื่นขึ้นและศรีรษะคุณจะพ้นจากหมอนคุณจะมีสิ่งที่ต้องการทุกอย่าง เวลาตื่นขึ้นศีรษะกำลังจะพ้นจากหมอนคุณจะมีทุกอย่างทำไมถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เอามาเปิดสารคดีชุดนี้เลยในขณะที่เรานักภาวนาอาจจะยังฟังไม่ออกด้วยซ้ำพูดถึงอะไรวะเนี่ย ยังเก๊กๆฟอร์มๆอยู่รอให้อาจารย์เฉลยอยู่เนี่ยเพรานยังไม่รู้มนแปลว่าอะไรเลยนี่เราภาวนามายังไม่เท่าฝรั่งที่นั่งสังเกตัอจิตวิยาก็สังเกตเขาสังเกตเขาสังเกตความจริงก็นั่นไงวิปัสสนากรรมฐานคือเข้ามาสังเกตความจริงของกายกับใจนี่แหละแต่ฝรั่งทั้งหมดพลาดตรงที่ไม่เคยสังเกตผู้สังเกตเลยมันมัวแต่สังเกตผู้ที่ถูกสังเกต มันจึงไม่พบความจริงของธรรมชาติจริงๆมันไม่รู้หรอกว่ามันไม่มีเราได้ยังไงเอาละไม่เป็นไรหรอกก่อนที่จะพ้นจากหมอนคุณจะได้ทุกอย่างคืออะไรคืนนี้กลับไปนอน <c oughs> แน่ๆสิอาจารย์แล้วหลับนะต้องหลับด้วยแล้วตื่นอย่างที่เขาบอกตอนที่ศีรษะจะพ้นจากหมอน ลองดูสิว่าจะเห็นอย่างที่ผู้ชายคนนี้พูดไหมตอนที่ศีรษะกันมันจะพ้นจากหมอนคุณได้ทุกอย่างในโลกนี้แล้วยางรรกเลยการจะเข้าใจการทางานของรหัสทางอารมณ์ได้คุณต้องเข้าใจว่าร่างกายมนุษย์ไม่ใช่อะไรเลยนอกจากพลังงานอย่างเช่นถ้าคุณมองมือมือคุณเหมือนเป็นของแข็งนักภาวนายัางดูไม่ถึงตรงนี้เลย ยังมือของเราอยู่เลยแต่ถ้าคุณขยายมืออีกสักล้านเท่าคุณจะจ้องมองไปที่แต่ละอะตอมแล้วมองเข้าไปในอะตอมหน่วยนั้ น, น, นคุณจะเห็นว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากพื้นที่ว่างการที่เห็นกายว่างฝรั่งเห็นแล้วนะคนไม่รู้อิเลนอิโนอินเน่ฝรั่งเข้าถึงสุญทตาความว่างได้ไหนบอกบ้าแล้วบ้าแล้ว กายมันว่างอยู่แล้วจิตมันไม่ว่างกายมันเลยมีตัวตนที่ผมจะเปิดให้ดูเนี่ยผมไม่ได้มาว่าอะไรเขานะเพราะเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราผมแค่เห็นสารคดีแล้วเห็นเลยว่าฝรั่งเฝ้าสังเกตอย่างเนี้ยที่เรียกว่าเฝ้าสังเกตจริงๆที่บอกว่ามือของเราพอมองเข้าไปมองเข้าไป ไหนเพาของเราแตกออกแตกออกแตกออกแตกออกไม่เห็นมีอะไรเลยนอกจากมีแต่พลังงานและพลังงานขนาดเล็กไม่มีที่สิ้นสุดวิ่งไปมาที่ความเร็วแสงนั่นคือสิ่งที่เราเป็นเราคือพลังงานบริสุทธิ์ถ้าแขนเป็นอย่างนี้แสดงว่าทั้งตัวเราก็คือเป็นแค่พลังงานเหรอใช่เขาจะบอกเลยว่าผมเนี่ยเคยบรรยายไปเปิดฟังเลยว่างจากตัวตนคอสที่อยูพุทศูนสองนะ ผมบอกเลยว่าโลกนี้ไม่ได้มีสสารโลกนี้มีแต่พลังงานรวมถึงโลกโต๊ะเก้าอี้คนทุกอย่างเนี่ยที่ว่าของแข็งเป็นสสารคือพลังงานเข้ามาบีบอัดรวมกันแล้ววันหนึ่งก็แยกออกไปแล้วก็อัดรวมกันใหม่แล้วก็แยกออกไปสู่ความว่าแล้วก็อัดรวมกันเมื่อพลังงานเข้ามาอัดรวมกันเราไปเปลี่ยนชื่อพลังงานนั้นว่าสสาร สารานคือพลังงานที่เข้ามารวมตัวกันนี่คือพลังงานที่เข้ามารวมตัวกันนี่คือสนามพลังที่เข้ามารวมตัวกันแล้วจะสลายไปในที่สุดอาจจะถูกเรียกว่าดินน้ำไฟลมก็ได้คือสนามพลังงานกันหมดเพราะวันนี้เราไม่เข้าใจเรามองไม่เห็นความจริงเราไปยึดว่าสนามพลังงานนี้คือเรามันไม่เคยมีเราเป็นของลมลมแ้งแงจริงๆฝรั่งเห็นเข้ามาถึงนี่แล้วเห็นไหม เห็นเข้ามาถึงนี่แล้วเราประกอบด้วยพลังงานมหาศาลขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในพื้นที่จํากัดแต่เขาไม่มีทางพ้นคําว่าเราต่อให้เขาเห็นว่านี่คือสนามพลังงานก็คือเราประกอบด้วยสนามพลังงานอยู่ดีเราตัวเนี้ที่คายอยู่เพราะฉะนั้นศึกษาเท่าไหร่ก็ไม่พ้นศึกษายังไงก็ไม่ออกจากทุก การจะดับความรู้สึกนี้ไม่ใช่วิ่งเข้าไปดับความรู้สึกนี้ไม่ใช่วิ่งเข้าไปหาตัวตนตัวตนเป็นผลผลิตของความไม่รู้อะลีมาร์มีองศ8คือเหตุเมื่อเหตุ ด, ดับผลคือความไม่รู้ที่ก่อตัว ต, วตนขึ้นมาเนี่ยผลจะดับลงด้วยฟองก๊าซไข่เน่าโผล่ขึ้นมาเพราะน้ำเน่า ขอของที่ใส่ลงไปเน่าข้อมูลที่ใส่เข้าไปมันเน่าจึงได้ออกมาเป็นผลผลิตคือตัวตน้นคือฟองกา๊าซไข่เน่าจะดับฟองกา๊าซไข่เน่าไม่ต้องไปเอาทิ่มฟองกา๊าซไข่เน่าทำให้ถูกสูบน้ำออกเติมน้ำใหม่ลอกพื้นบ่อด้วยอริยมัสมีอง์8ฟองกา๊าซไข่เน่าจะหายเอง ทั้งหมดของความหลงทั้งสิ้นของความทุกขมาจากความไม่รู้ตัวเดียวไม่ใช่วิ่งไปหาความรู้เข้ามาใหม่ฝรั่งกาลังวิ่งเข้าไปหาความรู้เข้ามาเติมสิ่งที่เป็นของปลอมคือจิตใจที่บอกว่าเป็นเราแล้วก็เอาความรู้ใส่เข้าไปในจิตใจที่เป็นเราซึ่งไม่มีตัวตนมันจึงก่อให้เกิดทิฏฐิปาทานคือความยึดมั่นในความรู้เพราะว่ามีเราเข้าไปรู้ ของปอมจึงไปเสิร์ไปเสริมกําลังให้ของปอมซ้ำเข้าไปอีกรอบหนึ่งถ้าปฏิบัติแบบนี้ทำยังไงก็ไม่พ้นเข้ามาศึกษาพุทธน์พุทธวจนะเท่าไหร่ก็ตามเป็นการเสริมตัวตนทั้งหมดเพราะเราไม่ได้มีอยู่จริงทิ้งคำวา พ, พอพื้นฐานไปได้แล้ววันที่สองนี่เข้าสู่คอร์สเข้มแล้วพื้นฐานวันเดียว และสร้างประสบการณ์ที่เรามีอยู่บนโลกใบนี้อารมณ์ก็คือการเคลื่อนไหวของพลังงานนะครับและมันก็คือความคิดขอ่เราสร้างอารมณ์ขึ้นมาและอารมณ์นั่นแหละที่สร้างพฤติกรรมของเราเห็นเรือยังคือผมไม่ได้บอกว่าเขาถูกเขาผิดอะไรเนะี่ยแต่เขาเฝ้าสังเกตเข้าใจไหมฝรั่งได้ข้อมูลจากการเฝ้าสังเกตการเฝ้าสังเกตเอแล้วก็เห็นถูกไหมเห็นถูก แต่ตัวตนไม่ได้ถูกละไนงะต่อให้เขารู้ถูกเห็นถูกเข้าใจทุกอย่างของรูปนามนี้ทั้งหมดที่เขาพูดทั้งหมดนี่เข้าใจรูปนามทั้งหมดแล้วนะถ้าผมเปิดเทปท่านฟังจนจบเขาเข้าใจรูปนามทั้งหมดแต่มีเราเป็นเจ้าของรูปนามอยู่ไอ้ตรงนี้ที่ทายังไงก็ไม่มีทางหายพูะเจ้าบอกว่า ปริพาชก ค, คนนอกศาสนาสามารถเห็นได้นะว่ากายเนี้ยไม่ใช่เราแต่เขาจะไม่มีวันที่จะเข้าใจและเข้าถึงได้ว่าจิตไม่ใช่เราเพราะจิตเกิดดับเร็วมากเนื่องจา ก, กจิตจิตเกิดดับเร็วมากมันได้ก่อความเห็นผิดซ้อนขึ้นมาอยู่ในตัวของมันจะมีเพียงสัมมาสมาธิกับสติปัฏฐานสี่ที่เข้าไปจัดการ เบรกดาวขณะของความเร็วของจิตให้สโลแล้วก็ช hey. ้าลงจนสามารถเข้าไปเห็นแต่ละขณะแต่ละขณะจากนั้นจะเห็นความจริงขึ้นมาเมื่อเห็นความจริงขึ้นมาจึงเกิดการถอดถอนความเห็นผิดเริ่มเบื่อหน่ายคลายความยึดถือในความรู้สึกว่าเราเราเราเพราะไม่มีอะไรในความว่างนี้เลย วันนี้เราจะคิดเผื่อไปก็เสียเสียเวลาเปล่าและไม่มีเราเป็นยังไงเสียเวลานั่งปฏิบัติไปค่อยๆเจริญอริยมรรคไปลอกพื้นบ่อเปลี่ยนน้ำใหม่ฟองการหายเองหายได้ไดยังไงผมบอกรู้ไหมหายได้ยังไงถ้าผมคนทั่วไป เปิด a ฟ e b o ๊ k เพื่อนส่งมาอาหารโอ้โหสวยน่ากินกระทบก็ไปที่ตาเข้าไปที่ใจปรุงแต่งขึ้นมาน่ากินจังเลยร้านอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ดิ้นลนเกิดตันหาถูกไหมขณะนั้นได้ก่อให้เกิดเราอยากกินมีเราอยากกินอาหารน่ากินอาหารขึ้นมาสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุธรรมชาติเห็นไหมอืม น่ากินชิปไปธรรมชาติไหนเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาพูดกันสวดไปให้จบแล้วคันจะได้กินข้าวนะคือไม่รู้หรอกวันไหนที่เข้าถึงความจริงเนี่ยผมบอกเลยนะบทนี้ไม่ต้องแปลบทนี้ไม่ต้องแปลวันไหนที่เข้าไปถึงความจริงไม่ใช่เห็นความจริงนะไอเห็นความจริงนะเห็นมีสมาธิก็เห็นอยู่แล้วเข้าไปถึงความจริงเนี่ย เข้าไปถึงความเป็นธรรมชาติจริงๆเนี่ยจิตคือพุทธะไม่ต้องแปลไม่ต้องแปลท่านเคยมาสวนยินดีสวนธรรมศรีปรุมออกไปมีคนพูดเรื่องสวนธรรมศรีปรุมท่านไม่ต้องแปลหรือคิดตามถูกไหท่านเห็นหมดที่ท่านเดินผ่านไปใครเขาพูดอะไร ท่านเข้าใจหมดเพราะท่านเห็นหมดแล้วนั่นคือท่านถึงแล้วท่านถึงที่นี่จริงๆเรืกนิดเดียวก็คือท่านต้องไปอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่อยู่ที่ความสงบเย็นนี้อย่างถาวร อ, อีกครั้งหนึ่งทีนี้ เมื่อเห็นภาพเกิดการปรุงแต่งความรู้สึกเป็นเราอาหารน่ากินอาหารขึ้นมาเป็นตัวตนเราขึ้นมาเป็นตัวตนไปถึงร้านอาหารสั่งมาโหหุกน่ากินถ่ายอีกส่งอีกแช่ไว้อีกนะทีนี้น่ากินเนี่ยมันขึ้นมาตั้งแต่ในใจแล้วเหมือนกับที่จูบลิงเมื่อกี้เนี่ยมันองขึ้นมาอยู่ในใจแล้วช้อนตักเข้าไปเนี่ยตันหาบีบบีบีบ บ, บ, บ, บีบตลอด อัพเข้ไปโอ้โหอร่อยจริงด้วยคือรสชาติของอาหารมีไหมมีแต่มันถูกทวีกําลังขึ้นมาด้วยจิตใจเขาเรียกว่ามโนวิญญาณขึ้นมาเต็มไปหมดเขาเรียกว่ามโนผัสสะพราะลิ้นส่งต่อไปที่จิตเนี่ยจิตตึงขึ้นมาเป็นมโนผัสสะเลยโอ้โหออจริงๆตรงนี้จะเกิดการทร่ำสรรเสริญเมาหมกเลยท่ำสรรเสริญเมาหมกผูกติดกับอารมณ์ถามว่ามันมีจริงไหมในอารมณ์เนี้ยมไม่มี มันถูกสร้างขึ้นมาลอยลอยไอจูกับลิงเมื่อกี้เนี่ยสัมผัสมีอยู่แค่ไหนแค่เนี้ยแต่หลงจูบกับผู้ชายในแบบเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมไม่จริงอาหารที่โอ้โหเลิศเพราจริงจริมันมีอยู่จริงไหมมันมีแค่รสชาติถูกไหมจูบกับลิงมันมีแค่ไหนมีแค่นี้ถ้ามันมีแค่นี้จริงๆท่านมีความรู้สึกเป็นอารมณ์ไหมไม่มีแต่อาหารที่ใส่เข้าไปมีแค่ไหนมีแค่นี้ แล้วก็เกินลงไปแต่ที่มันโอ้โหมันเลิศลดโอชาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปุงเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นปรุงในแบบขึ้นมาหน้ามือตามัวเนี่ยแต่มองไม่เห็นแล้วอย่างนี้จะออกจากกิเลสยังไงออกไงต้องรู้ทันเหรอไม่ต้องรู้ทันที่พูดเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังไม่ได้เอามาบอกให้รู้ทัน เอามาเล่าให้ฟังเปลี่ยนใหม่พอหลังจากท่านเริ่มเข้าใจท่านกลับไปกินอาหารมีคนเข้าคอสยู่ผู้ศูนสองกับผมเป็นคอรเจ็ดวันขังเดียวห้องนอนคนเดียวเป็นผู้หญิง ไฮโซวันที่ห้าของการปฏิบัติเจอผมก็บอกว่าอาจารย์ที่ฉันไม่รู้เป็นอะไรเมื่อเช้าที่เราประทานอาหารเธอกำลังจะเล่าเธอบอกอเดี๋ยวคือคือตั้งแต่มาตั้งแต่มาอยู่วันแรกเนี่ย สองเนี่ยเมื่อก่อนตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบใหม่เมื่อก่อนเนี่ยปิ่นโตมันก็จะเป็นเาถาเถามีสี่เถาสามสี่เถาเถาเล็กๆเปิดมาก็าตั้งผัดผักบุ้งอะไรเนี่ยหน่อไม้ดองจับชายกล้วยน้งว้ากับส้มลูกหนึ่งแล้วก็เข้าต้มเขานั่งดูเขาว่า แล้วก็แค่นกินไปนั้นเที่ยงมาเปิดเถาข้าวก็อะคงไม่อยากกินอ่ะนะแกงส้มนี่กวาก่ากันไปกินไปเขาก็บอกผมว่าอาจารย์อินไม่ลงเลยอ่ะไม่อร่อยเลยอืมแล้วไงครับ แต่เมื่อเช้าเนี่ยคือแล้วเขาก็บอกว่าขอโทษอาจารย์ไม่ใช่ว่าฉันจะแบบเวอร์หรือจะมาคุยอะไรทั้งสิ้นนะคือปกติเนี่ยฉันกินแต่พวกอาหารตามโรงแรมนี่ไม่ก็ยคุยเลยนะคือฉันเนี่ยกินแต่อาหารตามโรงแรมพวกบุฟเฟ่ลายยาวๆมีให้เลือกเยอะๆ ย, ย่างนี้แล้วไง แต่เระเช้าเนี่ยขณะที่เปิดไอ้เถาเป็นโตเนี่ยมันก็เห็นเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมข้าวต้มแล้วก็นู่นนี่เหมือนเดิมแล้วฉันก็ทานข้าวฉันมีความสุขแบบพูดไม่ถูกฉันมีความสุขมากๆเลยฉันไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลย ไม่ได้รู้ลมไม่ได้รู้เคี้ยวไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยฉันมีแต่ความสุขตลอดการกินข้าวไปจนจบเบิกบานใจจริงๆแล้วก็เก็บฉันเป็นอะไรฉันเป็นอะไรก็ <c oughs> <t ose> มาถามเลยผม่ <t ose> ะก็ <t ose> เป็นที่ตัวเองยังไม่รู้อีก usta, ต้องมาถามผม คืออยากรู้ว่าฉันเป็นอะไรทำไมไอ้ของมันก็เหมือนเดิมไม่อร่อยไม่อร่อยมาทุกวันเนี่ยพอถึงวันที่ห้าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงมีความสุขยิ่งกว่าดิฉันไปกินที่ l ล n e อินเ r n a t i นช a l b u f f บ t 2เฟ0สองพันบวกบวกซึ่งไม่เคยพบความรู้สึกนี้มาก่อนเลยผมบอกว่า เมื่อก่อนคุณไม่เคยกินอาหารเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยทุกคนไม่เคยกินอาหารจริงๆเลยทุกคนเสพจากจิตที่ไม่มีอยู่จริงคุณทันทีที่คุณเห็นอาหารเนี่ยคุณอ่อนแรงแว้วไม่อร่อยเห็นมันไม่น่ากินคือตอนนั้นคุณเสพจากจิตที่ไม่มีอยู่จริงจากนั้น คุณจะเิญภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาตลอดห้าวันอยู่กับความจริงคุณได้ดับความเห็นผิดออกไปเยอะมากเข้าใจไหมขณะที่กําลังมีสติแล้วก็สัมปะชัญญะเนี่ยได้เกิดความเคยคุ้นใหม่ห้าวันที่จะไม่ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาอีกคนคนนั้นปฏิบัติภาวนาอยู่กับตัวเองเดินจงกรมนั่งสมาธิรู้ลมอะไรก็ทําไปเรื่อยๆ ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆการที่อยู่กับสติสัมปชัญญะอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมเอาละผมจะขยายภาพให้ดูเบรกดาวเป็นขนาดเห็นอาหารขณะที่มีสติรู้สึกตัวเคลื่อนไปนะมีอาการเคลื่อนไปตักเคลื่อนเข้ามาเคี้ยวรสชาติมีไหมมีเคียเค้ยวเคี้ยว แต่เราก็กลืนมีการปรุงว่าโอ้อร่อยจังเลยไม่อร่อยเลยฉันไม่อยากกินแล้วมีไหมถ้าอยู่แค่เนี้ยไม่มีข้อมูลที่ย้อนกลับเข้าไปในจิตไร้สำนึกที่ไม่มีการสกรียนจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นข้อมูลเพียวแล้วก็บริสุทธิ์ไม่มีการปรุงแต่งเราเข้าไปในห้าวันเราได้ใส่ข้อมูลที่เพียวแล้วก็บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆ ไม่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาแบบที่เราเคยแค่เห็นภาพจิตปรุงแต่งมโนวิญญาณมโนผัสาะอะไรเต็มไปหมดขึ้นมาอยู่ในใจในใจในใจก่อให้เกิดใจเนี่ยดูเหมือนจะเป็นความจริ ง, ท, ง, ท, งทั้งที่มันไม่เคยจริงจากนั้นข้อมูลที่ใส่เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่ออาหารมาตั้งเหมือนเดิมความสุขจะความสงบเพราะไม่มีตัหาบีบคั้นคือความอยาก เมื่อก่อนเรากินอาหารเพราะมีความอยากเป็นตัวตั้งต้นเราเห็นลายบุฟเฟ่ที่ยาวเหยียดอาหารหน่ากินมีทั้งกุ้งบางกรมียะทุกอย่างเนี่ยทันทีนันตันหามันขึ้นมาเบียดเต็มไปหมดในใจของเราโอยนักนกิคือความกระวลกระวายมันได้เกิดขึ้นมันจึงกินไม่เคยพบความสุขโนี่อร่อยนะีอร่อยอร่อยไปอย่างนั้นอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยไป แต่วันนี้นั่งสงบสงบเอาของเอกมาจากเถานั่งมองไม่ได้เกิดตันหาบีบคั้นความสุขที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับอาหารเลยเกี่ยวกับความสงบที่จิตเมื่อจิตสงบอัม่านนั่งอยู่ที่เก้าอี้หน้าบ้านไม่ออกไปซัดสายกับของที่กระทบเข้ามาเข้าใจไหม ความสงบสุขที่เรียกว่าโสมนัสอารมณ์ที่ผมพูดถึงยอยู่ที่ตรงนี้ภาพของอาหารสลายไปทันทีไม่ปรุงต่อรสชาติอาหารสัมผัสแล้วสลายไปจิตยังคงสงบเหมือนเดิมไม่ว่าอะไรจะผัสสะเข้ามากระทบจิตยังคงสงบเย็นเหมือนเดิมผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ด้วยซ้าว่าอะไรเกิดขึ้น เขาเพได้สัมผัสรสชาติอาหารครั้งแรกโดยไม่บอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรอร่อยอะไรไม่อร่อยฉันชอบฉันไม่ชอบนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้สัมผัสรสอาหารส่วนใจที่เป็นสุขไม่ได้มาจากรสชาติอาหารแต่มาจากปีติมาจากสมาธิมาจากความไม่มีความบีบกันของตันหาที่อยู่ในใจ จากนั้นคนคนนี้จะเดินไปตรงไหนอะไรที่มากระทบจิตใจจะสงบเยือกเย็นเข้าใจหรือยังที่สอนนั่งสมาธิมาตลอดสองวันเพื่อให้เข้าถึงตรงนี้ก่อนอะไรอะไรในโลกนี้จะทําอะไรไม่ได้ในเบื้องต้นนะนี่ยังไม่ได้ถึงตรงไห น, นแต่ถ้าเขาเข้าถึงตรงนี้ได้เมื่อไหร่มันจะง่ายแล้วจะเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงง่ายขึ้นเรื่อยๆการถอดถอนจะง่ายขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นในการมาสู่การปฏิบัติเมื่อไม่มีการปรุงต่อไปจนถึงพบรับรู้แล้วก็ปล่อยรับรู้แล้วก็วางรับรู้แล้วก็วางรับรู้แล้วก็วางรับรู้แล้วก็หยุดแต่ละคาจบลงไปที่แต่ละคารอยต่อของแต่ละคำที่จะเข้าไปก็มีแต่ความสงบเย็นของเราคานี้เข้าไปโอ้ลอยชิหายมือที่ยื่นออกไปเนี่ยใจบีบคั้นบีบคั้น คือไม่มีช่องว่างเลยก็เติมสเสรยเข้าไปเสรยเข้าไปเนี่ยนะเต็มไปหมดนะมีแต่ตันหาบีบคั้นตันหาบีบคั้นมีแต่ใจที่สืบเนื่องสืบเนื่องสืบเนื่องแต่ทันทีที่เราหยุดหนึ่งคาเขี้ยวจบแค่ตรงนั้นกลืนเอื้อกลงไปเนี่ยขาดนะรสชาติดับวับความรู้สึกในใจดับวับไม่มีจุดเชื่อม ที่เหลือคือสัมปชัญญะคือการเคลื่อนของแขนใจดับนะเคลื่อนของแขนตักเข้ามาสัมผัสดิ้นฟีบปากช้อนอ้าใส่ข้าวบดรสชาติมีแล้วก็เคี้ยวไปได้แปดทีอ่ะกึนปุบตับจบหมดมีความหลงไหมอย่างนี้ แล้วถ้าเกิดมีเสียงกระทบมีคนด่าพั้งเข้ามาเมื่อเสียงดับคือคุ้นเคยกับการจบดับจบดับว่างจบดับว่างเนี่ยเมื่อมีเสียงกระทบมาดับว่างยังค้างไหมเพราะจิตเข้าใจความจริงหมดแล้วเนี่ยวันนี้ถ้ามีใครด่าเข้ามายังแคน์ไหมแค้นไม่เลิกนะวางหูไปแล้วยังแค้นไม่เลิกนะเขาด่ามายัางนอนคิดได้อีกสามวันนะยังเจ็บปวดเจ็บใจอยู่ได้อีกสามวัน โง่ไม่ง้ออย่างเงี้ยวางไม่ลงอาจารย์อาจารย์บอกให้รู้ลมนี่ก็รู้ลมแล้ววางไม่ลงไม่ได้รู้ลมไม่วางลงรู้ให้ฝึกทั้งชีวิตสุดท้ายมันจะวางได้เองสุดท้ายมันจะวางได้เองเข้าใจไหมถ้ามันไม่ฝึกมันจะไปเข้าใจได้ยังไงจะเข้าไปถึงได้ยังไงนี่แหละคือความจริงลนะ่ะนี่แหละคือความจริงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฝรั่งไม่รู้คือ เขานึกว่าสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาปลอมๆที่มีความรู้สึกหนึ่งว่าเป็นเราเขาไม่ได้สามารถจัดการตรงนี้ได้แล้วเขาไม่รู้เลยว่าตรงเนี้ยมันต้องจัดการแล้วมันไม่มีอยู่จริงเขาก็จึงไปอุ้มชูเชิดชูความรู้สึกนี้เอาไว้ทีนี้ความรู้ทั้งหมดมันไปใส่ที่ไหนก็ใส่ลงไปที่นี่ใส่ลงไปที่นี่พอใส่ที่นี่เกิดอะไรขึ้น มันจะเสริมความเป็นอัตตาเพิ่มขึ้นไปอีกเรารู้เรารู้แล้วเราเห็นแล้วเราเกิดปัญญาแล้วเราเห็นสภาวะธรรมนี้แล้วจบที่ไหนรู้ไหมจบที่อะรูปประพมเพราะตัวตนค้างอยู่ เมื่อเราสัมผัสกับอารมณ์ท hmm. ี่ร <v czenia x 2> <bies BLANK audio ves> ุนแรงพอสิ่งที่เรารู้สึกได้คือพลังงานที่บันสั่นไหวในทุกๆอารมณ์จะมีความถี่ของการสั่นเฉพาะตัวขึ้นความโกรธมันก็จะเป็นพลังงานทางอารมณ์ที่ต่างไปมันเป็นความถี่ต่างไปมีแรงสั่นที่แตกต่างจากอารมณ์ผิดหวังซึ่งจะต่างจากความเศร้าทุกอารมณ์จะต่างกันเมื่อคุณสัมผัสอารมณ์ที่รุนแรงร่างกายคุณจะสัมผัสถึงแรงสั่นช่วงเวลานี้ที่บางครั้งพลังงานทางอารมณ์ที่คุณรู้สึกจะมีพลังงานมากเกินไป เมื่อพลังงานเหล่านี้ถูกเก็บเอาไว้ในร่างกายอารมณ์ที่ค้นพบนี้จะมีขนาดพลังงานเท่ากับลูกเบสบอลหนึ่งลูกจนถึงขนาดเท่าผลแค น, แนตาลูปและมันจะไปซ่อนตัวที่ไหนในร่างกายก็ได้โดยจะไปขัดขวางสนามพลังงานปกติของร่างกายและเพราะว่าร่างกายทั้งหมดคือสนามพลังงานทีนี้เมื่อใครสักคนอกหักจะเกิดอารมณ์หนึ่งที่เขาเห็นแล้วว่ามันคือความถี่ความถี่หนึ่งความถี่ก็คือพลังงานนั่นเอง เขาก็อุปมาให้เห็นว่าถ้าเอาพลังงานนี้เนี่ยมาสมมุติว่าเป็นลูกเบสบอลร่างกายเป็นสนามพลังงานทั้งหมดอารมณ์นี้มันจะเข้าไปแทรกซึมอยู่ในพลังงานจะเข้าไปแทรกซึมอยู่ในสนามพลังงานของพของของความเป็นตัวของเราเนี่ยแล้วมันจะเริ่มเข้าไปทําให้สนามพลังงานเดิมที่บริสุทธิ์ทํางานยากขึ้น ซึงเกิดเป็นความระคายเคืองจริงๆขึ้นมานี่คือสาเหตุของมะเร็งมะเร็งมาจากอารมณ์เมื่อมันถูกบิดเบือนคณจะเริ่มมีปัญหาและมันจะไปบิดเบือนเนื้อเยื่อต่างๆใ น, นร่างกายของคุณหากเนื้อเยื่อถูกเปลี่ยนรูปไปจะเกิดความระคายนานพอเนื้อเยื่อเหล่านั้นก็จะเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้น และก็กลายเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าโรคมะเร็งไม่มีใครรู้เลยที่บอกว่ามะเร็งมาจากความเครียดก็ไม่สามารถอธิบายในเชิงรูปธรรมได้ขนาดนี้ผมนึงบอกว่าฝรั่งเนี่ยเข้ามาศึกษาจนกระทั่งทะลุเข้าไปจนถึง ส, าสนามพลังงานที่เป็นนามธรรมารูปและนามทําไมรูปและนามจึงเป็นเกลอกันเพราะ รูปมาจากนามที่บีบอัดมันจริงจริจรมันแยกกันไม่ออกเลยในขันห้าเนี่ยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยวิญญาณเป็นปัใจจัยให้เกิดนามรูปภาษารีบุตรบอกนามรูปก็เป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณเช่นกันพระอารมณ์คือการบันทึกของอดีต แล้วถ้าอารมณ์ถูกเก็บเอาไว้ในร่างกายล่ะร่างกายเราก็จะจมอยู่กับอดีตซึ่งมันคือจิตไร้สํานึก <c oughs> ถ้าเราอกหักถ้าเราสูญเสียคนรักคืออดีตถูกไหมปัจจุบันเนี่ยยังอกหักอยู่ไหมการอกหักมันจบไปแล้วการสูญเสียคนรักจบไปแล้วคนรักตายไปแล้ว จากเป็นจากตายไม่รู้แต่อารมณ์ที่ถูกเก็บเอาไว้แสดงว่ามันแค่เป็นอดีตแต่เราเอาอดีตมาไว้ที่ปัจจุบันเข้าใจไหมเราเอาอดีตที่ผ่านมาแล้วมาสร้างอยู่ในโลกปัจจุบันทีนี้เมื่อสร้างอยู่ในโลกปัจจุบันของเราไม่ได้เป็นปัจจุบันจริงๆแต่มันกําลังก่อตัวขึ้นมาเป็นปัจจุบันปลอม ร่างกายนี้จิตใจนี้จะเข้าไปสัมผัสอารมณ์นั้นจนเหมือนกับว่ามันกำลังเกิดขึ้นจริงเพราะมันไม่รู้เรื่องอยู่ๆไปเอาของเก่ามาใส่เป็นของปัจจุบันหลอกไอ้นี่ไอ้นี่เข้าไปผสมลงด้วยเกิดความทุกข์เศร้าเข้าไปจริงๆเซลล์ในร่างกายทำงานผิดปกตินึกว่าเรากำลังตกอยู่ในสภาพความทุกข์แบบนั้นจริ ง, ๆ ท, งๆทั้งๆที่เรื่องนั้นผ่านไปแล้ว ถ้าเชื่อว่ามันอยู่ในสิ่งววดล้อมเดียวกัน24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์365วันต่อปีร่างกายนั้นจะอยู่ในอดีตอย่างแท้จริงสิบปีร่างกายจะอยู่ในอดีตอย่างแท้จริงเลยทำจนกระทั่งมันกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยจะออกมาเป็นพฤติกรรมแล้วก็นิสัยที่จมเศร้าหน้าตกตลอดเวลาจิตตกตลอดเวลา พอไปแช่หมักดองสิ่งเหล่านี้ทางธรรมะเรียกว่าอาสวะการหมักดองจิตให้กลายเป็นอย่างนั้นไปจริงจริงจบไม่จบจบแล้วไม่รู้จักจบเพราะนั้นเราฝึกให้จบจบจบจบจ บ, จบทุกขณะมันจบของมันอยู่แล้วไอ้ที่ไม่จบคือใจมันเชื่อมเรียกว่าสัน ต, ติทำให้เกิดความสืบเนื่องเพราะความไม่รู้นี่หละ วิชาชีพผมผมทำงานกับคนที่ป่วยที่สุดในโลกนี้คนที่ถูกบอกว่าไม่มีวิธีรักษาโรคของเขาได้ประเภทคนที่ทรมาจากโรคมะเรง็งเอ่อโรคเหนื่อยล้าเรื้อรังโรคโปวดกล้ามเนื้อโรคเ l e ลที่ผมค้นพบคือจิตใต้สำนึกเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจสาเหตุพื้นฐานว่าทำไมคนเราถึงได้เจ็บป่วยด้วยโรคนั้นนันวิทยาศาสต์เข้าไปเจลึกจนถึงจุดที่รู้แล้วว่า โรคเหล่านั้นมาจากจิตเป็นคนสร้างโรคร้ายๆที่ไม่มีทางรักษาวันนี้จุดเริ่มต้นมาจากเราไปหมักดองจิตไว้ในอดีตที่ขมขืนแล้วอยู่ๆมามันก็ค่อยๆผิดดอกออกผลเข้าไปเบียดสนามพลังงานที่อยู่ภายในแล้วก็ออกมาเป็นผลวันนี้ทางการแพทย์จึงหาไม่เจอ เสียงดังอยู่ที่โทรศัพท์นะอย่าให้ดังอยู่ในใจ <c oughs> ไม่เป็นไรแล้วนะครับอ่ะดูต่อตอนนี้การก่อตัวของจิตใต้สำนึกได้เติบโตเต็มที่ระยะเวลาเจ็ปีถูกโปรแกรมด้วยอารมณ์และความทรงจำจะจุเริ่มต้นตอนคุณเกิดคุณเริ่มเข้ารหัสสิ่งต่างๆทั้งจากประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีจิตใต้สำนึกจะเก็บทุกอย่างเอาไว้จไว้นะ จิตใต้สำนึกและจิตไร้สำนึกของเราเนี่ยไม่มีการสกรีนข้อมูลนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในครอบครัวที่เป็นมิจฉาทิฐิมีแต่การด่าการว่าการอวยการเพิ่มตัวตนเราจะถูกหล่อหลอมจิตไร้สำนึกจะไหลเข้าไปแล้วก็หล่อหลอมความเห็นเหล่านั้นเข้าไปด้วยเราก็จะแสดงพฤติกรรมแบบที่บ้านเราออกมาต่อสังคม สังคมก็จะรับพฤติกรรมเหล่านั้นถ้าเราเป็นไอดอลของใครเราคนนั้นปื้มของเราเราก็จะใส่พฤติกรรมนั้นไหลลงไปในคนคนนั้นต่อไปก็จะเกิดการเรียนแบบทําตามกันมากมายในวันนี้เพราะมันไหลเข้าไปถึงบ้านถึงตัวถึงไอ้มือถือนี่มันจาะเข้าไปถึงตาถึงหูถึงใจเลยนะไม่มีอะไรที่มันถ้าผมเป็นเอเลี่ยนเนี่ยการที่จะล้างสมองมนุษย์นี่ง่ายนิดเดียวคือผมเปิด f เฟซบุ๊ก แล้วคนก็จะมี follower นี่ผมรู้หมดนะ ท, ทั้งที่ผมไม่เคยใช้มันก็จะไหลเข้านั่งฟังนั่งฟังบางจะไปหล่อหลอมพฤติกรรมของคนคนนั้นเข้าไปถูกไหมนั่งผู้นะถ้าปเป็นทางลบก็ก็เริ่มโกนหัวตัดผมแบบทรงนี้ทําแบบเขาโดยแสดงพฤติกรรมออกมาเดินแบบเดียวกันอะไรก็ตาม หรือท่านที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่ามีคนตัดยูทูบเข้าไปที่ผมพูดท่านก็นั่งฟังหู oh, อาจารย์คนนี้เป็นใครวะตั้งไมกดคนอื่นทำไมมาขึ้นคนนี้วะนะผมก็เหมือนกันผมกดฟังองค์อื่นก็มาขึ้นของผมเองไอ้นี่มันช่างไม่รู้เลยว่ามือถือกูนะกูเป็นคนพูดเองไม่ต้องมาแร้วขีเกียดฟังแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะมันขึ้นมาเต็มไปหมดะมีแต่ของผมเนี่ยพอฟังก็ไปโอ้ oh, จริงเว้จริงเว้จริงเว้ก็จริงเลเด็กเขพูดของจริงก็งจริง มันก็ไหลเข้าทางตาทางหูก็เข้าไปหล่อล้อมความเป็นสมาธิฏฐิของท่านท่านถึงมานั่งตรงนี้ไง <c oughs> โอไม่เคยโยหัวชูหางเลยนะคุณดินนี่คือการถ่ายทอดของเอเลี่ยนสู่เอเลี่ยนเราก็จะเริ่มเป็นพวกเหนือโลก <c oughs> พอรามอยู่บนโลกไอเอเลี่ยนมันด้อยู่บนโลกมันจะเป็นพวกเหนือโลกเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเข้าใจข้อมูลทั้งหลายมก็จะไหลเข้าไปไหลเข้าไปจิตไร้สํานึกไม่เคยสกรีนจําไว้ แล้วอริยมรรคมีอ ง, อ, องค์แปดไปดูแปดองค์เลแบ่งเป็นสิกขาทั้งสามไตรสิกขาปัญญาสิกขาจิตตสิกขาศรีาศระสิกขาศิกขาศีระสิกขาจัดการกายกับวาจาถูกไหมไม่ทำบาปทำชั่วไม่ทำผิดทางกายวาจาจิตตสิกขาปรับที่จิตการไหลเข้าไปของข้อมูลทั้งหมด มันมีข้อมูลไหลกลับจากตัวเราเองด้วยนะไม่ใช่จากข้างนอกอย่างเดียวนะตัวเราเองเนะี่ยหลาเรื่องสําคัญเพราะของที่มันไหลเข้ามาคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละอินทรีย์ทวารทั้งหกเนี่ยเมื่ออินทรีย์ทวารทั้งหกมีแต่ของที่ไหลเข้าไปอย่างบริสุทธิ์ทั้งหมดเป็นกุศลทั้งหมดเนี่ยพฤติกรรมของคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรจะแสดงออกมาในฝั่งกุศลทั้งหมดถูกไหมผู้เจ้าเห็นหมดแล้ว จากนั้นเมื่อเขาอยู่กับกุศลตลอดนอกต่อไปเรื่อยๆความเคยชินในฝั่งที่เกิดอกุศลจะมีสติเข้ามาคอยขวางแล้วสติมาจากไหนเมื่อมาอยู่ในฝั่งกุศลเมื่อเกิดอกุศลขึ้นสติจะเกิดขึ้นเองไม่ต้องทำนะจักสิสติจะเกิดขึ้นเองจะรู้ตัวขึ้นมาเองเชื่อเถอะถ้ามีคนทำอย่างอริยมรรคเมยงแปลนจริงเนี่ยคนคนนั้นจะออกมายืนยันได้ ผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเขียดอยู่ในอุณหภูมิ50แต่ไปสอนให้เขียดมา ส, สมามีสติเวลาเกิดความร้อนในขณะที่เขียดเนี่ยยังอยู่ในอุณหภูมิ50ตลอดเวลาเนี่ยถ้าอุณหภูมิ47เขียดมันจะไม่เตือนเลยอุณหภูมิ50เขียดมันก็ไม่เตือนอุณหภูมิ60เขียดมันก็ไม่เตือนเชื่อเหรอหรือจะเตือนยากมากเพราะมันร้อนอยู่ทุกวี่ทุกวัน แต่ถ้าเปลี่ยนเอาเขียดมาอยู่ในอุณหภูมิน้ำปกติคือ2ี่้าแค่สามสิบแค่นั้นเขียดจะรู้สึกแค่สี่สิบไม่ต้องพูดเขียดมันจะรู้สึกเหมือนเนื้นอจะพองถ้าคนที่เข้ามาอยู่ในฝั่งของอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยมีแต่กุศลแทบจะตลอดเวลาเนี่ยในชีวิตเนี่ยเมื่อเกิดโทสะขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องไปบอกเขาเลยเขาจะทนไม่ไหวแล้วต่อไปพอเห็นผลจะไปเห็นเหตุ แล้วเขาจะไม่กล้าทําเหตุนั้นอีกเลยเพราะกลัวผลจะเกิดขึ้นไม่อยากแม้แต่จะให้ในใจมันร้อนรนขึ้นมาแบบนั้นเพราะฉะนั้นอย่างนี้คือสติที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มาเกิดความตั้งมั่นเพราะไม่มีอกุศรเข้ามาปนจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อจิตตั้งมั่นโดยอัตโนมัติจะเห็นความจริงของกายเวทนาจิตธรรม ซึ่งเป็นของเกิดเกิดดับๆับไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเลยจะย้อนกลับไปสู่สัมมาทิฏฐิคือปัญญาที่แท้จริงไม่มีคนเข้าไปเป็นเจ้าของปัญญานี้ด้วยเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ต้องมาละไม่ต้องมารู้ไม่ต้องมาอะไรกันอีกเป็นธรรมดาที่นั่งแล้วก็อยู่ที่ฐานแล้วก็เห็นความจริงไม่ออกไปข้างนอกแล้วก็ต้อมาทุบความรู้นั้นทิ้งทุบผู้รู้ทิ้ง อยู่ที่ฐานอย่างที่พระเจ้าบอกนี่แหละเราจะเห็นความจริงทุกอย่างจนมันกลายเป็นความจริงในจิตสํานึกของคุณในทุกๆช่วงชีวิตต่อมาของคุณเองเราสร้างทุกอย่างที่เราอยากจะสร้างได้ถ้าจิตเขาเราหดหูเราก็จะรู้สึกหดหูในใจถ้าคุณจะปวดในใจคุณก็มีสิ่งที่ช่วยคุณเชื่อว่ามันจะปวดได้จริงๆถ้าเจ็บปวดในใจ เราจะเชื่อมันเจ็บปวดจริงๆเชื่อไหมท่านรู้ไหมขณะที่เรานั่งสมาธิแล้วเราปวดขาเนี่ยวันหนึ่งที่ผมนั่งสมาธิแล้วผมปวดขาเนี่ยประมาณปีที่ห้าของการปฏิบัติผมปวดไม่มีอะไรเหมือนเลยปวดแบบกัดดูไมนจะแตกกะเด็นไอกจากกันเลยบัลลังก์นั้นเนี่ยอดทนนอดทนอดท น, ดทนจนกระทั่งจบเวลาที่ทั้งเหงื่อแตกทั้งตัวเลย วุ้ยดชิปไปคือในใจรู้สึกว่าใครจะไปทนได้วะเนี่ยปวดขนาดนี้เลยแล้วก็ลุกขึ้นไปเดินจงกรมตอนนั้นอยู่ในคอสเข้มคือคําว่าคอสเข้มตอนนั้นที่ปฏิบัติที่วัดเนี่ยก็คือคําว่าคอสเข้มเนี่ยคือใครอยากทำอะไรก็ทํานั่นแหละคอสเข้มวันที่ผมไปผมงงมากเลยผมเคยเข้าคอชิปเขาบอกว่ากี่โมงกี่โมงต้องทําอะไรทําอะไรเต็ไมไปหมดโอ้โหนี่เข้มชิปไปเนี่ย เว้เที่ยวนี้ไปเข้าคอสเข้มดีกว่าพอไปถึงคอสเข้มจริงตื่นตีสี่กินเจ็ดโมงตรวจมลตอนเย็นแล้วก็นอนแล้วไม่มีตารางเลยมันเข้มยังไงวะผมก็สงสัยมันเข้มยังไงเนี่ยสมัยนั้นที่ผมไปเข้าเนะี่ยผมก็ถามว่าแล้วต้องทำอะไรอีกไหมผมก็ไปถามคนอื่นเพราะผมไม่เคยเข้าไม่เคยเข้าคอสเข้มก็ก็ทําไปตามตารางผมตารางไม่เห็นมีอะไร ก็ทำไปตามตารางนั่นแหละจะทำอะไรก็ทําไปดิแล้วต้องเดินกี่บอลรังไมอยากเดินก็เดินไปดิไม่อยากเดินก็ไม่ต้องเดินอยากนั่งอย่างเดียวก็ไปนั่งเอายังไงวะเข้มยังไงก็นอนเองงั้นถ้าอยากนอนก็ไปนอนดิถ้าอยากนอนแล้วมาเข้าทําไมอ่ะใช่ไหมก็เหมือนกับเราคิดเออใช่ถ้าเราอยากนอนแล้วมาทําไมก็อยู่บ้านก็นอนสบายเตียงเติมก็มีแอร์ก็มีอนี้คอสเข้มอ่ะก็ลองดู อนอนก็นอนไม่ลงดิถ้าจะนอนแล้วมาทำไมอ่ะก็ลุกขึ้นมาเดินก็เห็นเขาเดินนั่งเดินนั่งันทั้งวันผู้หญิงทั้งนั้นเลยคอสนั้นสามสิบคนผู้หญิงยีบเก้าผมว่าผู้ชายคนเดียวเลยคอสเข้มนั้นอะ่ะผมผู้ชายคนเดียวผมถึงวันนี้ไม่ค่อยแปลกใจอะ่ะที่ทำไมผู้ชายน้อยนะน้อยจริงๆ เคยมีผู้หญิงก็ถามผมว่าเออแล้วผู้ชายไปไหนหมดนะทำไมไม่เห็นมากเลยผมบอกเขาไปนรกกันหมดคื อ, อเขาไม่มาแล้วทางเนี้ยเขาเลือกขับบานานรกเนอะเมื่อก่อนผมก็อยู่ในนั้นนี่ผมก็แค่แวะมาดูเฉยๆกล่าวมาดูชั่วคราวแต่นี่ตีตัวทาวอเลยนะกล่าวว่าจะแค่แวะแค่มาดูว่าเขาทำอะไรกันทำไมผู้หญิงเยอะจังนะทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือวันนั้นที่ผมนั่ง แล้วก็ปวดมากลุกก็ไปเดินจงกรม ล, ลุกขึ้นไปเดินจงกรมเสร็จแล้วก็ถึงคือตั้งก็ตามเวลาที่เราตั้งไว้พอถึงบลังที่สองก็ลงนั่งห้านาทีปวดเหมือนเดิมปวดปวดปวดไม่รู้จะปวดสุดปวดสุดทนอะ่ะในใจผมรู้สึกว่าโห้ยเพิ่งห้านาทีเอะ แล้วมันจะอยู่ครบไหมวะที่อปวดขนาดนี้แล้วกัดฟันกัดฟันปวดปวดมันกระดูกจะแตกนะของกัดฟันเนี่ยฟันเนี่ยกรามเนี่ยคก็เลยอะ่ะโอ้โหปวดจนได้ยินเสียงนาฬิกาตีอยคือเหมือนนักชกที่ขึ้นมาตับบันกันน่ตะตบบันกันอย่างเดียวเลยตุบตัตับแล้วกระคางเป่งเดินเข้ามุมอะ่ะแล้วก็ลุก จากอาสนะเนี่ยเหมือนเหมือนเดินเข้ามุมเลยแล้วก็เดินออกไปผมสังเกตเลยผมเดินจงกรมเนี่ยโค้องออกจากอาสนะเลยนะคือมันแยงนะแยงแยงจริงท่านไปเป็นแหมผมไม่รู้ตอนเนี้ยผมเริ่มได้กินยาน้ำมันมวดน้ำมันน้ามันมวยอะไเนี่ยนะนะคือมันอาสนะเนี่ยเดินโค้องออกเลยนะคือแยงใจมันแยงลงนั่งบัลลังก์ที่สามเหมือนเดิมอย่างกับก๊อปปี้คำวางเลย ปวดไม่มีอะไรเหมือนไม่รู้คือปวดท้อใจเลยปวดท้อใจเลยแต่อดทนนั่งจนถึงเวลาที่ตั้งใจไว้ทุกครั้งพอรุกขึ้นเดินจงกรมอีกเข้าสู่บัลังที่สี่ดีดูผมไม่ได้มาอะไรนะเวลาปฏิบัติเนี่ย ก, ก็ไม่นีนะคำว่าตายเป็นตายนะแต่รู้อย่างเดียวว่าทำทำไปทำไป ถึงบัลลังก์ที่สี่เนี่ยกว่าจะลงนั่งได้เนี่ยยืนดูอาสนะอยู่นานเลยเอาไงดีวะคือปวดจริงๆคือปวดแบบจะแตกจะตายอะ่ะ <c ười> คือทอนห้ใจเฮือกแล้วลงนั่งเลยเหมือนเดิมโอ้ยคือปวดจนท้อคือมันปวดปวดปวดปวดปว ด, ปวดมันเหมือนจะร้อย ร้อยแล้วคือประหลอดเนี่ยร้อยแล้วร้อยสิบโอ้ยังมีร้อยสิบอีกเหรอคือมันปวดขึ้นไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่สุดทนนะผมบอกเลยว่ามันสุดทนอีกแล้วมนุษย์เนี่ยผมไม่เชื่อว่ามีมนุษย์คนไหนทนความเจ็บปวดนี้ได้เกินกว่านี้อีกแล้วตอนนั้นเนี่ยนะข้างในมันตะโกนพรวดขึ้นมาเลยกูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยแล้วมันสลัดทิ้งเลยฮึบ ความปวดทั้งหมดที่กําลังกระโจนขึ้นไปที่ร้อยสิบนะเหลือศูนย์เลยเพราะเหลือศูนย์ปั๊บข้างในนี่อะไรวะแล้วเงียบเลยเงียบกันหมดเลยทีนี้เข้าสู่สมาธิโดยไม่ต้องทําอะไรแล้วเงียบเลยไม่มีความเจ็บปวดความเจ็บปวดเหลือศูนย์เลยจนกระทั่งจบบัาลังนะั้นลืมตาขึ้นมาอะไร เห็นไหมว่ามีเราตรงไหนเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเกิดขึ้นอะไรเนี่ยผมถามตัวเองว่าถ้าความปวดมีอยู่จริงเรายังไม่ได้ขยับขาเลยตอนที่มันหายเนี่ยถ้าความปวดมีอยู่จริงหายไปได้ยังไงจากร้อยสิบเหลือศูนย์ได้ยังไง เราราไม่ได้ขยับขาถ้าท่านปวดขาท่านขยับขาแล้วท่านค่อยคลายปวดอันนั้นเราเข้าใจได้แต่วินาทีนั้นความปวดหายไปได้ยังไงหรือความปวดไม่ได้มีอยู่จริงเราปวดขาหรือว่าเราไม่ได้ปวดขา แต่เราแค่รู้สึกเหมือนกับว่าเราปวดขาแต่จริงๆขาเราไม่ได้ปวดตอนนั้นที่ผมนั่งค่อยๆคิดไปค่อยๆดูไปเรื่อยๆถ้าปวดอยู่ที่ขาผู้เจ้าต้องบัญญัติว่าปวดเป็นฐานกาย แต่ทำไมพระองค์บัญญัติอยู่ในฐานเวทนาของใจแสดงว่าปวดไม่ได้อยู่ที่ขาปวดอยู่ที่ใจแต่ทำให้ดูเหมือนกับว่าเฉยๆจากนั้นการนั่งสมาธิไม่ต้องใช้กำลังเลยไม่ต้องทำอะไรอีกเลย หลับตารู้ลมสงบสงบไปอีกสี่บรรลังนั่งปั้งยังไม่ทันจะรู้ลมเงียบเงียบเงียบเงียบเงียบจะนั่งกี่บรรลังนั่งเป็นเงียบจนกระทึงบรรลังที่ห้าแล้วต้องทำอะไรต่อเนี่ย คนชอบมาถามผมว่าเป็นอย่างนี้ต้องทําไงต่ออาจารย์ทั้งเวลาผมปฏิบัติผมไม่เคยถามใครแล้วทําไงต่อนีไม่รู้เดินไปห้องสมุดเขาไม่ให้อา่านหนังสือแต่ผมเดินไปห้องสมุดเพราะผมทนไม่ไหวแล้วผมเบือ่อให้มานั่งปฏิบัติเดินนั่งนั่งเดิ น, นผมเชกเบื่อแล้วเพราะวันที่เก้าของการปฏิบัติแล้วผมเดินไปที่ห้องสมุดหาหนังสือกองอยู่ในรังทั้งนั้นไม่ไม่เป็นห้องสมุดเลย คงสืออยู่ในลังเต็มมผมก็ไปค้นค้นลือๆก็ไม่เจออ่านอะไรก็อ่านอะไรก็ได้ขอให้ได้อ่านสักเล่มหยิบมานั่งอ่านเป็นหนังสือปกขาดๆแล้วก็นั่งเปิดอ่านเปิดรูดๆไปเจอหน้านหน้าว่างๆมีตัวหนังสืออยู่สองบรรทัดเขียนบอกว่าให้นั่งให้ให้ คือเหมือนกับการน้ำตั้งบนเตาไฟแล้วมีคนดูมีคนนั่งดูการน้ำตั้งบนเตาไฟประมาณเนี้มีคนนั่งดูการน้ำตั้งบนเตาไฟพอผมอ่านแค่มันมีอยู่แค่สอบรรทัดเนี่ยให้ดู มนคนนั่งดูการน้ำตั้งบนเตาไฟการน้ำตั้งบนเตาไฟน้ำจะเดือดก็ไม่เกี่ยวกับคนนั่งดูน้าจะไม่เดือดก็ไม่เกี่ยวกับคนนั่งดูคนนั่งดูอยากให้เดือดน้าก็ไม่ได้เกี่ยวกับความอยากในใจของคนดู คนดูกับการน้ำไม่เกี่ยวข้องกันใช่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยคนดูต่างหากที่มีปัญหาการน้ำไม่ได้มีปัญหาอ๋อปิดหนังสือความที่ปกขาดจึงดูที่สันพุทธธาตุพิฆุ วางเลยกลับไปนั่งสมาธิเลยก า, าน้ำมันจะเดือดมันจะไม่เดือดมันจะเป็นอะไรมันจะอะไรยังไงก็เรื่องของก า, าน้ำไม่เกี่ยวกับคนดูหรือผู้รู้นี่เลยผมพบว่าเกขอการป่วดที่เราพบเจอมาจากอารมณ์ที่ถูกกักเอาไว้ผมว่า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 ล้วนมาจากอารมณ์ที่เราเก็บกักเอาไว้โรคทั้งหมดมาจากอารมณ์ที่เก็บกักเอาไว้เท่านั้นเองวันนี้เกิดอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เก็บกักเอาไว้ยังไม่ได้ส่งผลทันทีนะเดี๋ยวอีกสักพักร่างกายจะแปรปลวนไปหมดพลังงานลบเหล่านั้นอยู่กับเราหลังจาก เหตุการณ์ที่บอบช้ำทางจิตใจที่เราต้องเผชิญมาในชีวิตนั่นเองความเครียดและก็ความไม่สบายใจที่เข้ามาในชีวิตของเราทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเมื่อมันเปลี่ยนโลกของเราก็เปลี่ยนไปด้วยน่าประหลาดใจจริงๆที่มันสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างในโลกของเราใบนี้นะครับ การเปลี่ยนแปลงภายในนักวิทยาศาสตร์บอกมันน่าแปลกที่มันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกด้วยใช่รูปนามมีพลังงานที่ดึงเข้าผลักออกซึ่งกันและกันเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวอนันต์จิตคนหนึ่งโกรธจะมากระทบต่อคนข้างๆกระทบต่อครอบครัวสิ่งแวดล้อมภูมิอากาศ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 ทั้จิตวิภาพทั้งพัทุกรรมจากนั้นก็จะเริ่มสร้างตัวเราในแบบใหม่ขึ้นมาเราอยู่กับอารมณ์อารมณ์นั้นคืออดีตถ้าเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆมีอารมณ์ไม่มีเลยเพราะเราเอาอดีตมาทิ้งไว้ในโลกปัจจุบันโลกปัจจุบันจึงแปรปรวนมีปัญหาทันที กอให้เกิดสภาพของอารมณ์ขึ้นมาแล้วเราก็เข้าไปเสพอารมณ์นั้นจนกระทั่งกลายเป็นมลภาวะร่างกายสุดโทมลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆอารมณ์ทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นมันผ่านไปหมดแล้วเราอยู่กับปัจจุบันจริงสิ่งนั้นจะมีไหมล่ะ ไ, ไม่มีเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันจริงมันจะเหลือแค่สติ มนสมัยโบราณพวกเขารู้ว่าอารมณ์ทางลบมันจะถูกเก็บเอาไว้ในร่างกายของเรานั่นเองครับแล้วมันก็จะส่งผลต่อสภาวะร่างกายและรวมไปถึงการทำงานของอวัยวะต่างๆอีกด้วยร่างกายของคุณก็คือจิตไร้อยสตก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 เมื่อเราเปิดรับปัตตานนท์แต่ตความเครียดอาจเกิดจากความคิดล้วนเคมีพวกนั้นทําให้เราป่วยตามที่ยามและความคิดก็ทําให้เราป่วยได้เช่นเดียวกันความคิดถึงอดีตถึงเรื่องที่จบไปแล้วถึงคนที่ทําให้เราเจ็บช้าถึงอะไรก็ตามขณะที่คิดขึ้นมาจะก่อให้เกิดความทุกข์เป็นผลเมื่อนั้นสารเคมีที่หลั่งออกมาสู่ร่างกายจะกลายเป็นพิษความทุกข์ในใจ จะบีบขั้นในร่างกายส่งสารเคมีที่เป็นพิษออกมานี่คือสิ่งที่เขาพูดผมขยายความให้ฟังเมื่อพิษเหล่านั้นเข้าไปในร่างกายมากขึ้นเรื่อยๆมันจะเริ่มสั่งสมเหมือนท่านกินพิษเข้าไปแต่เป็นพิษที่ร่างกายท่านผลิตเองร่างกายของเราจะชุดโทรมแล้วก็พังลงนะใครทําซ้ํำซากเลยโทษวิบากกรรมดีไหมล่ะ ถ้าเรายอมให้สารเคมีหรืออารมณ์เหล่านั้นคงอยู่ซึบเนื่องไปชั่โมเป็นวันมันจะกลายเป็นอารมณ์เช่นถ้าคุณถามเพื่อนสักคนหนึ่งว่านายเป็นอะไรนะแล้วเขาบอกว่าอารมณ์ไม่ดีแล้วคุณถามต่อว่าทําไมถึงอารมณ์เสียเขา อ, อาจจะตอบว่ากับพราะว่เรื่องที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อ5วันก่อนแล้วผมก็ยกังจำอารมณ์ในตอนนั้นได้อยู่นะซิตอนนี้ ถ้เราอยกเก็บอารมณ์นั้นเอาไว้จนเวลาผ่านไปนานเป็นสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนมันก็จะกลายเป็นสภาพเป็นภาวะทางอารมณ์นั่นคือสิ่งที่จะบอกว่าทําไมบางคนถึงได้เจ้าอารมณ์นะักนี่ยออกมาเป็นพฤติกรรมนะคนเจ้าอารมณ์คือมีสิ่งเนี้ยสั่งสมเข้ามาเข้ามาจนเต็มรูปอะ่ะออกมาทางความเกลี้ยวกราดทําไมลูกๆชั้นมันเกลียวกราทําไมมันเป็นอย่างเนี้ย ค่อยๆมาที่ละวันครรู้ป่คุณจะบอกว่าไม่รู้ทำไมคุณทึงโกรธเขาจะบอกว่าก็เพราะว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับผมเมื่อก้าวเดือนที่แล้วแล้วผมก็ยังรับรู้ถึงอารมณ์นั้นอยู่แล้วต้อ ง, งปล่อยให้มันอยู่อีกไปนานเป็นปีก็จะกลายเป็นนิสัยถึงตอนจะกลายเป็นนิสัยนิสึมลึกแล้วออกมาเป็นพฤติกรรมแล้วเริ่มลึกเข้าไปเป็นนิสัยแล้วเพราะเนี่ย มนุษย์วางไม่เป็นแล้ววันนี้ถึงมีความทุกเต็มไปหมดแล้วก็แสดงออกบ้าๆบอๆกันเต็มไปหมดเพราะการซึมซับไหลเข้าไปไหลเข้าไปไหลเข้าไปของข้อมูลที่เต็มไปหมดของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็ไม่อยากจะโทษมันอย่างเดียวละเพราะสังคมมันเป็นอย่างนี้กันไปแล้วก็จะกระจใจได้ว่าการจะเปลี่ยนปกติกระพราหรือว่าบางแง่มุมของตัวเราจะต้องมองไปที่อารมณ์ที่เราจะจาให้เด้แม่นยาจนเก็บและ นำมันไปไว้ในร่างกายของเรานั่นเองเพราะเข้าใจว่าพลังของจิตได้ถูกพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าสา ม, มารถรักษามันได้ครั้งแล้วครั้งแล่าหลายครั้งอาจารย์ยินหมอหรู้ว่างานวิจัยบางชิน้นรอให้กลุ่มตัวอย่างกินยาปลอมๆแล้วก็ปล่อยให้การวิจัยดําเนินต่อเพื่อพิสูจน์ว่าจิตใจของมนุษย์สา ม, มารถรักษาตวัวเองได้ ท, ทั้งที่มีคนไข้ได้รับกอด น, น้ําตาลหรือว่าได้รับการผ่าตัดปลอมๆไป ถ้าเราไม่ได้เป็นแพทย์เราอาจจะไม่รู้นะถ้าหมอจะฟังเรื่องนี้เนี่ยจะเข้าใจได้มีการทดลองแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้อยู่จริงแล้วด้วยในในวงการแพทย์ทั่วโลกคือด้วยการทดลองให้ผู้ป่วยมารับการรักษาหลังจากตรวรักษาทุกอย่างเรียบร้อยเลยเนี่ยหมอก็ให้ยาไปกินแต่ยานั้นคือ ก้อนน้ำตาลเล็กๆหรือก้อนแป้งเล็กๆที่ไม่มีตัวยาใดๆผสมอยู่เลยจากนั้นพอกินเข้าไปสักพักหมอก็นัดมาตรวจอยู่เรื่อยอาการคนไข้ก็ค่อยดีขึ้นโดยลำดับแล้วก็หายไปในที่สุดวงการแพทย์รู้แล้วว่าเขาไม่ได้หายเพราะยาอะไรเลยเพราะเขารู้สึกว่าเขาได้กินยา เวลาท่านไปหาหมอครั้งที่สองครั้งที่สามท่านรู้ไม่ว่าในถุงยาคือแป้ที่เขาไม่ให้ยาท่านแล้วท่านเป็นคนติดยา <c oughs> ท่านติดยาถ้าเขาให้ไปเรื่อยๆท่านจะดื้อยาเขาจึงเปลี่ยนเป็นยาตัวใหม่ที่ข้างในเป็นแป้งแล้วอาการท่านดีวันดีคืนฟังต่อไป ระบบการเยียวยาของร่างกายมาจากจิตตัวเองจะบอกให้ทำขึ้นมาเองก็ไม่ได้หมอเลยช่วยหลอกให้ตาปฏิกิริยายาพิษได้ผลตรงกันข้ามก็คือพวกเขาจะได้รับยาจริงการผ่าตัดจริงแต่ว่าการตอบสนองการรักษาของเขาไม่ดีขึ้นคนสอกลุ่มนี้ทำไปสิ่งเดียวกันนา แ, แต่ว่าจากมุมมองคนละด้านพวกเขา ใช้รูปแบบสากลของความเชื่อหรือว่าการสร้างความคิดซึ่งมันคือตอนที่เขาได้รับก้อนน้ำตาลเข้าไปนในใจเขาคิดไปเองได้เห็นสัมผัสราเกราว่าเขาได้รับการรักษาและมองว่าก้อนน้ำตาลนี้น่าจะให้ผลดีโดยที่เขาไม่รู้เลยว่ามันเป็นเพียงแค่ก้อนน้ำตาลแต่ว่าในใจของเขาก็รักษาตัวเองจนสามารถที่จะหายได้ใจของตัวเองรักษาร่างกายตัวเองเพราะคิดว่า มันจะหายได้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งให้ยาจริงรักษาจริงแต่ไม่หายเพราะในใจของเขาคิดว่ามันไม่หายนั่นคือปฏิกิริยายาพิษที่เขาพูดเมื่อสักครู่นี้ส่วนปฏิกิริยายาพิษก็คือการที่เขาได้รับยาจริงตล้วมันเขเรักษาไม่หายอาจเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาคิดไปเองเขาเห็นเขาคิดและจดจําตลอดว่ามันจะไม่หายจนเชื่อว่าตัวเองกำลังจะตายและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจงานวิจัยแสดง ให้เห็นคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งได้รับรังสีปลอมๆซึ่งมันไม่ใช่รังสีเลยด้วยซ้ำหนึ่งในสามของกลุ่มทดสอบกลับมีผมร่วงเให้เข้าไปในห้องรังสีปลอมหนึ่งในสามกลุ่มทดสอบผมร่วงเลย <c oughs> ร่วงเพราะอะไรมันกังวลไงตายแล้วกู <c oughs> กังวล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 เอาละให้ฝรั่งสอนสักหนป่ะทุกอย่างจะเป็นไปได้ในโลกในแบบที่เราเห็นภาพลวงอันสวยงามที่เรามองเห็นมันยืดหยุ่นได้เปลี่ยนแปลงได้แล้วก็สนุกไปด้วยดอนถ้าเราอยู่กับสติในปัจจุบันภาพลวงในโลกจะทำให้เราเป็นสุขขึ้นมาได้ พูดนี้ไม่ได้ผิดเลยนะเนี่ยภาพลวงในโลกทำให้เรามีความสุขเบิกบานขึ้นมาได้สังขนายกองที่หกในเรื่องสิทธิ์โง่ไปเรียนเซน เป็นคนธรรมดาเข้าไปอยู่ในสำนักเซนความที่ไม่รู้อะไรเจ้าวาดสังฆน า, ายกองค์ที่ห้าก็จึงให้ไปทำงานในโรงครัวไปตำข้าวไปตาข้าวสังฆน า, ายกองค์ที่ห้าก็แก่มากแล้ว ต้องการจะมอบบาทจีวรเพื่อสืบทอดไปสู่สังคายยกองค์ที่หกก็จึงประกาศให้สิทธ์ทั้งหลายเขียนสโลกคำขวัญขึ้นมาหนึ่งประโยคพูดง่ายๆว่าอาจารย์ต้องการจะดูภูมิหน่อยทั้งสำนักก็มีสิทธิ์พี่ใหญ่อยู่คนหนึ่งคนก็ไม่กล้าเขียนสโลกเพราะกลัวสิทธิ์พี่ใหญ่สิทธิ์พี่ใหญ่ ก็เลยเขียนสโลกแต่ก็ไม่กล้าเอาไปยื่นให้อาจารย์ก็แอบเขียนไว้ที่ฝาผนังรั้วกุฏิอาจารย์ร่างกายเหมือนต้นโพจิตเหมือนกระจกเงาถ้าเราหมั่นเช็ดถูอะไรต่อนะ ก็จะสะอาดหมดจดประมาณนี้ร่างกายเหมือนต้นโพจิตเหมือนกระจกเงาจิตเหมือนกระจกเงามีขันผ่านมารับรู้ผ่านไปไม่เดินออกไปหาเห็นไหมร่างกายเหมือนต้นโพจิตเหมือนกระจกเงาเราต้องหมั่นเช็ดถู ก็จะคงสะอาดอยู่เสมออะไรที่คอยเช็ดถูสติเราต้องหมั่นเช็ดถูจะสะอาดอยู่เสมอพ่อหนุ่มในโรงกระเดื่องอ่านหนังสือไม่ออกตอนเช้าเดินเห็นคนพูดคุยกันถึงสโลกที่รู้ว่าอาจารย์ ก็จึงบอกให้เพื่อนพาไปดูหน่อยเพื่อนก็พาไปดูด้วยความที่อ่านหนังสือไม่ออกก็จึงบอกให้เพื่อนอ่านให้ฟังหน่อยเพื่อนก็อ่านให้ฟังร่างกายเปรียบเสมือนต้นโพจิตเหมือนกระจกเงาเห็นไหมเราต้องหมั่นเช็ดถูให้สะอาดอยู่เสมอ พ่อหนุ่มนั้นก็จึงบอกเพื่อนบอกว่าช่วยเขียนต่อให้หน่อยเจเพื่อนบอกเฮย้ยไม่ได้อกเออเขียนไปเถอะรับผิดชอบเองอ่ะจะเขียนอะไรอะถ้าไม่มีทั้งต้นโพไม่มีทั้งกระจกเงาขี้ฝุ่นจะจับที่ไหนเจ้าสำนัก ทันทีที่อ่านจบเอารองเท้าลบทิ้งเลยประโยคล่างที่เขียนแล้วก็รู้แล้วว่ามีผู้ที่จะสืบทอดต่อแล้วเรามาดูประโยคแรกที่สิทธิพี่เป็นคนเขียนร่างกายเปรียบเสมือนต้นโพจิตเหมือนกระจกเงามันเช็ดถูจะสะอาดอยู่เสมอ พวกนี้ยังต้องใช้สติมาคอยละคอยจัดการคอยปัดกวาดคอยเช็ดถูอยู่เลยเหมือนที่ฝรั่งพูดเมื่อกี้ไปได้แค่นี้ไม่มีคำว่าถึงธรรมขอประทานโทษด้วยความเคารพวันนี้ทุกที่ทุกแห่งสอนแค่นี้คำสอนของพระพุทธเจ้าเหลืออยู่ครึ่งเดียว ซึ่งทุกสำนักหรือว่าทุกที่ที่ไปปฏิบัติสอนกันแค่นี้ซึ่งไม่รู้จะพูดว่าอะไรแล้วในเมื่อฝรั่งก็สอนได้แล้วเมื่อไหร่ที่บอกว่าไม่มีทั้งต้นโพไม่มีทั้งกระจกเงาละ่ะคำสอนนี้หายไปไหน หรือว่าไม่มีผู้สืบทอดแล้วเอาละเราจะเบรกกันตรงนี้นะเราเดี๋ยวสามโมงครึ่งค่อยเข้ามาอีกครั้งนะ